สิกขาบทที่2เรื่องพระชัพพคี618สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพวต เ, เจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันรามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัรธีครั้งนั้นผู้ภิกษุชัพพคีขณะกำลังฉันสอดมือทั้งหมดเข้าในปากพระบัญญัติ 2. พึงทำความสำเนียกว่าขณะกำลังฉันเราจะไม่สอดมือทั้งหมดเข้าในปากเรื่องพระชพคีจบ ศิขาบทวิพังพิสูุขณะกําลังชันไม่พึงสอดมือทั้งหมดเข้าในปากพิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อขณะกําลังชันสอดมือทั้งหมดเข้าในปากต้องอบัตทุกกฎอนาปฏิวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1. นพิกูุไม่จงใจ2อพิกษุไม่มีสติ3าพิกษุผู้ไม่รู้4ีพิกษุผู้เป็นไข้5้พิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง6กพิกษุวิกลจริต7จพิสูุต้นบัญญัติ สิขาบทที่2จบ